ถึง 7. สังโยชนะปะหานาที่สุตตะักกะว่าด้วยพระสูตรหกสูตรมีสังโยชนะปะหาณาสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวาีภิกษุทั้งหลายถ้าผู้อัญญะเดรถีปริภาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจันทร์ในพระสมณโคดมเพื่อต้องการอะไร เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญะดิรธีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อละสังโยชนละถึงท่านทั้งหลายเราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อถอนอนุสัยละถึงท่านทั้งหลาย เราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้อัธานะทางไกลละถึงท่านทั้งหลายเราท mm. <course. S 1> ั and and ้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อความสิ้นอาสวะละถึงท่านทั้งหลายเราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อทาให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุตติละถึงท่านทั้งหลาย เราทั้งหลายอยู่ประเพื่อพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อญาณทัศนะละถึงสังโยชนะปหานาที่สุดตาชักกะที่สองถึง7จบ 8. อนุปาทาปริณิพานาสูตร ว่าด้วยมรรคและปฏิปทาเพื่ออนุปาธาปรินิพานเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าผู้อัญญาเตระธีปริภาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นในพระสมณโคดมเพื่อต้องการอะไร เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปปาทาปรินิพานความดับไม่มีเชือ้ออันหนึ่งถ้าพวกอัญญะเดรถีปริภาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายมีมรักมีปฏิปทาเพื่ออนุ ป, ปาทาปรินิพานอยู่หรือ เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบว่าท่านทั้งหลายมีมัคมีปฏิปทาเพื่ออนุปบาทาาริิพานอยู่มัคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่ออนุปบาทาาริิพานเป็นอย่างไรคืออาริยามัคมีองค์8ดนี้แลได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้คือมัคนี้คือปฏิปทาเพื่ออนุปบาทาาริิพาน ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้อนุปาธาปริิพาณสูตรที่8จบอัญญะติทิยะเปยานละวัคที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ราคะวิราคะสูตร 2. ถึง7สังโยชนบปหานาที่สุตตะชักกะ 8. อนุปาทาบริณิพนณสูตร 6. <ก>สุริยะเปยยาลวัคหมวดว่าด้วยสุริยเปยยา 1. กรลยานามิตสูตรว่าด้วยกาลยานามิต เรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทยัยย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตชันใดกาลยานามิตรตาความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีก็เป็นตัวนาเป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์แปดชั้นนั้นภิกษุผู้มีกาลยานามิตรมิตร ด, ดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จกเจริญอริยมรรคมีองค์8ปดทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากภิกษุผู้มีกาลยานมิตรเจริญอริยมรรคมีองค์8ปทำอริยมรรคมีองค์8ดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิชฌ์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะและถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้องไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากอย่างนี้แลกัลยาณมิตรสูตรที่1จบ 2-6 ศถึงหกีและสัมปทาที่สุดตะปัญจกะว่าโดยพระสูตรห้าสูตรมีสีและสัมปทาสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิกกำลังจะอุทยัยย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตชั้นใดศีและสัมปทาก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์8ชั้นนั้น ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลพึงหวังข้อนี้ได้ว่าและถึงชันทะสัมปทาอัตตะสัมปทาทิฏฐิสัมปทาอปปมาทะสัมปทาและถึงศีลสัมปทาที่สุตตะบัญจกะที่สองถึง6จบ เโยนิโสมานัสการะสัมปทาสูตรว่าด้วยโยนิโสมานัสการะสัมปทาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์กําลังจะอุทยัยย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิต ช, ชั้นใดโยนิโสมานัสการะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการมานัสการโดยแยกคาย ก็เป็นตัวนําเป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์8ชั้นนั้นภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนัสการพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคมีองค์8ทําอริยมรรคมีองค์8ให้มากภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนัสการเจริญอริยมรรคมีองค์8ทําอาริยมรรคมีองค์8ให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ หเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสัก ข, ขะละถึง 8. จเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสัก ข, ขะภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงพร้อมด้ยอยู่นิสงมนัสการจเจริญอริยมรรคมีองค์8ปดทำอาริยมรรคมีองค์8ให้มากอย่างนี้แล โยนิโสมนสการสัมปทาสูตรที่7จบ 8. กาลยานามิตาสูตรว่าด้วยกาลยานามิตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กําลังจะอุทยัยย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตชั้นใดกัลยาณมิตรตาก็เป็นตัวนําเป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์8ฉดชันนั้นภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคมีองค์8ทําอริยมรรคมีองค์8ให้มากภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญอริยมรรคมีองค์8 ทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันเป็นธรรมมีการกําจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันเป็นธรรมมีการกําจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญอริยมรรคมีองค์8 ทำอริยมักมีองค์8ให้มากอย่างนี้แลกรลยานมิตรสูตรที่8จบ9ถึง13สีลสัมปทาที่สุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตร มีศีลและสัมปทาสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์กําลังจะอุทยัยย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตชั้นใดศีลและสัมปทาก็เป็นตัวนําเป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์แปดชั้นนั้นละถึงชั้นทสัมปทาอัตสัมปทาทิฏฐิสัมปทา อปมาทะสัมปทาละถึงสีลและสัมปทาที่สุดตะปัญจกะที่9ถึง13จบ 14. โยนิโสมนัสการะสัมปทาสูตรว่าด้วย โยนิโสมานัสการะสัมปทาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีละถึงโยนิโสมานัสการะสัมปทาละถึงภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมานัสการพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรตมีองค์แดทำอริยมรตมีองค์แดให้มากภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมานัการจเจริญอริยมรตมีองค์แด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 เจริญอริยมรตมีองค์แปดทำอริยมรตมีองค์แปดให้มากอย่างนี้แหลโยนิโสมนัสการะสัมปทาสูตรที่14จบสุริยะปิยานวักที่6จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. กรลยานามิตรสูตร 2. ถึง 6. สีละสัมปทาที่สุตตะปัญจกะ 7. โยนิสโมนสมณสิการะสัมปทาสูตร 8. กัลยาณมิตรสูตร 9-13. ถึง 13. สิสีและสัมปทาที่สุตตะปัญจกะ 14. โยนิสโมนสมณสิการะสัมปทาสูตร เเอกธรรมเปยยารวบหมวดว่าด้วยเอกธรรมเปยานหนึ่งกาลยานามิตสูตรว่าด้วยกาลยาณมิตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมอันเป็นเอกมีอุปการะมากเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์8ปดธรรมอันเป็นเอกคืออะไร คือกัลยาณมิตรตาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคมีองค์8ปดทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญอริยมรรคมีองค์8ปดทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญอริยมัติมีองค์8ปดทำอริยมัติมีองค์8ให้มากอย่างนี้แลกัลยาณมิตรสูตรที่1จบ สอถึงหศีลและสัมปทาที่สุดตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีศีลและสัมปทาสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายทำอันเป็นเอกมีอุปการะมากเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรมีองคแปดทำอันเป็นเอกคืออะไรคือศีลสัมปทาละถึงคือฉันทสัมปทา คืออัตสัมปทาคือทิฏฐิสัมปทาคืออัปมาทะสัมปทาและถึงศีและสัมปทาที่สุดตะปัญจกะที่สองถึงหบจบเจ็ด โยนิโสมณสิการะสัมปทาสูตรว่าด้วยโยนิโสมณสิการะสัมปทาเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีละถึงคือโยนิโสมณสิการะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการมณสิการโดยแยบคายภิกษุผููถึงพร้อมด้วยโยนิโสมณสิการพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมัสมีองค์8ปดทำอริยมัสมีองค์แปดให้มาก ภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิสโสมนัสิการเจริญอริยมัสมีองค์8ปดทำอริยมัสมีองค์8ดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้องไปในวัวศัก ข, ขะภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนัสการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากอย่างนี้แหลโยนิโสมนัสการสัมปทาสูที่เจ็ดจบ กาลยานามิตตสูตรว่าด้วยกาลยานามิตรเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวถีภิกษุทั้งหลายทำอันเป็นเอกมีอุปการะมากเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมัคมีองค์แปดทำอันเป็นเอกคืออะไรคือกาลยานามิตตตาภิกษุผู้มีกาลยานามิตพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมัสมีองค์แดทำอริยมัสมีองค์แดให้มาก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 ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญอริยมรตมีองค์8ทำอริยมรตมีองค์8ให้มากอย่างนี้แหลกัลยาณมิตรสูตรที่8จบเก้าถึง13 สีและสัมปทาที่สุดตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีศีลสัมปทาสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายทำอันเป็นเอกมีอุปการะมากเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์แปดทำอันเป็นเอกคืออะไรคือศีลสัมปทาละถึงคือฉันทสัมปทาคืออั ต, ตสัมปทา คือทิฏฐิสัมปทาคืออัปปมาทะสัมปทาและถึงศีละสัมปทาที่สุดตะปัญจกะที่9ถึง13จบ 14. โยนิโสมนสิการะสัมปทาสูตร ว่าด้วยโยนิสโสมนัสการะสัมปทาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีละถึงคือโยนิสโสมนัสการะสัมปทาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิสโสมนัสการพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมัคมีองค์8ทำอริยมัคมีองค์8ให้มากภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิสโสมนัสการเจริญอริยมัคมีองค์8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 โยนิสโสมานสิการะสัมปทาสูตรที่14จบเอกธรรมะเปยานละวัคที่7จบรวมพระสูตรที่มีเนวักนี้คือ 1. นึกลยานามิตรสูตร2งถึงหกีลสัมปทาที่สุตตะปัญจกะ 7. โยนิสโสมานสิการะสัมปทาสูตร 8. กลยาณมิตรสูตร9้าถึงสิา สีและสัมปทาที่สุตตะปัญจกะ 14. โยนิโสมนสการะสัมปทาสูตร 8. ทุติยเอกธรรมเปยานละวักหมวดว่าด้วยเอกธรรมเปยานที่สอง หกาลยานามิตตสูตรว่าด้วยกาลยาณมิตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์แปดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์แปดที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มที่เหมือนกาลยานามิตตตา ความเป็นผู้มีมิตรดีนี้ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมัคมีองค์8ทำอริยมัคมีองค์8ให้มากภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญอริยมัคมีองค์8ทำอริยมัคมีองค์8ให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกละถึง 8.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 เหมือนสีลสัมปทานี้ละถึงเหมือนฉันทะสัมปทานี้เหมือนอัตตะสัมปทานี้เหมือนทิฏฐิสัมปทานี้เหมือนอปปมาทะสัมปทานี้ละถึงสีลสัมปทาที่สุ ต, ตะปัญจกะที่สองถึงหบจบ จโยนิสโสมานสิการะสัมปทาสูตรว่าด้วยโยนิสโสมานสิการะสัมปทาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีละถึงเหมือนโยนิสโสมานสิการะสัมปทานี้ภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิสโสมานสิกาพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรตมีองค์8ทำอริยมรตมีองค์แดให้มาก ภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนัิการเจริญอริยมรรคมีองค์8ปดทำอริยมรรคมีองค์แให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวออาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการเจริญอริยมัคมีองค์8ทำอริยมัคมีองค์8ให้มากอย่างนี้แลโยนิโสมนสิการะสัมปทาสูตรที่7จบ8 กัลยาณมิตรตสูตรว่าด้วยกัลยาณมิตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อริยมรตมีองค์แปที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้อริยมรตมีองค์แปที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มที่เหมือนกัลยาณมิตรตานี้ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังข้อนี้ได้ว่า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 9ถึง 13. ส3ศีลและสัมปทาที่สุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีศีลและสัมปทาสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวาทีภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นทำเอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อริยมรตมีองค์แปดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้อริยมรตมีองค์แปที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มที่ เหมือนศีละสัมปทานนี้ละถึงเหมือนฉันทสัมปทานี้เหมือนอัตตะสัมปทานี้เหมือนทิฏฐิสัมปทานี้เหมือนอปปมาทะสัมปทานี้ละถึงศีละสัมปทานที่สุตตะปัญจกะที่เาถึง13จบ สิโยนิโสมานสิการะสัมปทาสูต ร, รว่าด้วยโยนิโสมานสิการะสัมปทาละถึงเหมือนโยนิโสมานสิการะสัมปทานี้ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมานสิการพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมัสมีองค์8ปดทำอริยมัสมีองค์8ดให้มากภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมานสิการ จเจริญอริยมัชมีองค์8ปดทำอริยมัชมีองค์8ดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. จเจริญสัมมาทิฏฐิอันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดละถึง 8. จเจริญสัมมาสมาธิอันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมานสิการเจริญอริยมักมีองค์8ทำอริยมักมีองค์8ดให้มากอย่างนี้แลโยนิโสมานสิการะสัมปทาสูตรที่14จบทุติยะเอกธรรมเปยาลวัคที่8จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. กึกลยานามิตสูตร 2. ถึง 6. สีละสัมปทาที่สุตตะปัญจกะ เจ็ดโยนิโสมนัสการะสัมปทาสูตรแปดกัลยาณมิตสูตรเก้าถึงสิบสามศีลสัมปทาที่สุตตะปัญจกะสิบสี่โยนิโสมนัสการะสัมปทาสูตร 9. คังคาไปยานละวัคหมวดว่าด้วยคังคาไปยาน๑ปฐมมาปาจีนนิณะสูตรว่าด้วยอุปมา ด, ด้วยแม่น้ำาหลายไปสู่ทิศปราจีนสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาหลาไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีน ลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ชันใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไร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 ทำอเรียมักมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แลพระถมมะปาจีนนิณะสูตรที่หนึ่งจบสองถึงห้า ทุติยที่ปาจีนินาสุตจตุกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีทุติยาปาจีนินาสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวถีภิกษุทั้งหลายแม่น้ำยมุนาไหลไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั่นเหมือนกันละถึงภิกษุทั้งหลาย แ, แม่น้ำอจิรวดีไหลไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ชันใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลาย แ, Star แาม่น้ำโสระูไลลไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ชันใดภิกษุก็ชันนั้นเหมือนกันและถึงภิกษุทั้งหลาย แม่น้ำมหีไหลไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนลาไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงทุติยาธิปาจี น, นินาะสุตตาจตุกะที่สองถึงหจบ ชาตปาจีนนิณาสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำหลายไปสู่ทิศปาจีนสูตรที่หภิกษุทั้งหลายแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิราวดีแม่น้ำสรภูแม่น้ำมห ah e, ีทั้งหมดไหลไปสู่ทิศปาจีนบาไปสู่ทิศปาจีนลาไปสู่ทิศปาจีนแม่ฉันใด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 จเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกและถึง 8. จเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสะะักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แล ชาปาจี น, นิณสูตรที่6จบเจ็ดปฐ ม, ม ส, สมุทนนิณสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำหลายไปสู่สมุทรสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลาย แม่น้ำคงคาไหลไปสู่สมุทรบาไปสู่สมุทรหลากไปสู่สมุทรแม้ฉันใดภิกษุข้อฉันนั่นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. จเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกและถึง 8. จเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักกะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจเจริญอริยมรรคมีองค์8ปดทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แหลปะปฐมมาสมุทธาณิณสูตรที่เจ็ดจบ 8-12 ถึงุติยาที่สมุทธานิณสุตตะปัญจกะว่าด้วย พระสูตรห้าสูตรมีทุติยสมุทนานินสูตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายแม่น้ำยมุนาไหลไปสู่สมุทรบาไปสู่สมุทรลาไปสู่สมุทรแม้ชันใดภิกษุก็ชันนั้นเหมือนกันละถึงภิกษุทั้งหลายแม่มมนมม้ำอจิรวดีไหลไปสู่สมุทรบาไปสู่สมุทรลาไปสู่สมุทรแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือ like. นกัน ภิกษุทั้งหลายแม่น้ําสรภูไหลไปสู่สมุทรบาไปสู่สมุทรลากไปสู่สมุทรแม่ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ํามหีไหลไปสู่สมุทรบาไปสู่สมุทรลากไปสู่สมุทรแม่ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ําใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ําคงคาแม่น้ํายมุนา แม่น้ำอจิระวดีแม่น้ำสรภูแม่น้ำมาหีทั้งหมดไหลไปสู่สมุทรบาไปสู่สมุทรลากไปสู่สมุทรแม้ฉันใดภิกษุว่าฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์8ดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ด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 น้อมไปในโวสะะักะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แหละทุติยาที่สมุทนา น, นนะิสุตตะปัญจกะที่8ดถึงส2องจบคางคาไปียาลวาระท่านเขียนไว้โดยยออ่อพึ่ให้พิสดารในปียาน ขางคาเปยยาละวัคที่เก้าจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปฐมมปาจีนิณสูตรสองถึงหาทุติยาที่ปาจีนิณสุตตะจตุ ก, กะ 6. ฉัฏฐปาจีนิณสูตร 7. ปฐมมาสมุทธนิณสูตร 8. 1 2ถึงิบสองทุติยาที่สมุทธาณิณสุตตะปัญจกะ